โกกาลิกะสูตรว่าด้วยพระโกกาลิกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิณิกะเศรษฐีเขโครงสาวถีครั้งนั้นแหลโกกาลิกะภิกษุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคลานะเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วลุอำนาจความปรารถนาชั่วเมื่อโกกาลิกะภิกษุกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะภิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธออย่ากล่าวอย่างนั้น เธอจงทําจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมฆลานะเถิดสารีบุตรและโมฆลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สองโกกาลิกะภิกษุก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของข้าพระองค์มีพระพุทธพจน์ที่ข้าพระองค์เชื่อถือได้ก็จริงแต่ท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมฆลานะ เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วรู้อำนาจความปรารถนาชั่วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโกกาลิกะพิกษุดังนี้ว่าโกกาลิกะเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธออย่ากล่าวอย่างนั้นเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคลานะเถิดสารีบุตรและโมคลานะเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักแม้ครั้งที่สโกกลิกะภิษุก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า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 โตเท่ า, มาเมล็ดพันผักกาดแล้วก็โตเท่ า, มาเมล็ดถั่วเขียวโตเท่ า, มาเมล็ดถั่วดำโตเท่ า, มาเมล็ดพุทราโตเท่ า, มาเมล็ดกระเบางโตเท่าผลมะขามป้อมโตเท่าผลมะตูมอ่อนเท่าผลมะตูมแก่แล้วก็แตกเยิม้มหนองและเลือดไหลออกมาโกกาลิกาภิกษุเพราะทนพิษตุ่มแตกนั้นไม่ไหวจึงมรณะภาพลงในขณะนั้น และเมื่อมรณภาพลงแล้วได้ไปเกิดในปทุมะนรกเพราะมีจิตผูกอาคาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเท้าสหามบดีพรมมีวันนะณงดงามยิ่งนักเปล่งรัสมีให้สว่างไปทั่วพระเจตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญโกกลิกะภิกษุมรณะภาพแล้วไปเกิดในปทุมะรรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเท้าสหัมบดีพรมครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายเป็นณที่นั้นแลครั้นคืนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเท้าสหบดีพรมละถึงภิกษุทั้งหลายเท้าสหบดีพรมครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็กระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นแลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญประมาณอายุในปุุมนรกนานเท่าไรหนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุประมาณอายุในปทุมะนรกนานมากประมาณอายุในปทุมะนรกนั้นยากที่จะนับได้ว่าประมาณเท่านี้ปีประมาณร้อยปีเท่านี้ประมาณพันปีเท่านี้ประมาณแสนปีเท่านี้ภิกษุนั้นทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์พอจะยกอุปมาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าได้พิกสุแล้วตรัสว่าพิกสุหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศนมีอัตรายี่สิบคารีล่วงไปแล้วหนึ่งแสนปีบุรุษจึงนำเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้นหนึ่งเมล็ดเมล็ดงาหนึ่งเกวียนของชาวโกศนซึ่งมีอัตรายี่สิบคารีนั้นจะพึงหมดไปโดยทานองนี้เร็วกว่าแต่ว่า หอภุฑะนรกหาหมดไปไม่20สอภุฑะนรกเป็นหนึ่งนิรพุทธนรก20นิรพุทธนรกเป็นหนึ่งอภนรก20สิอภนรกเป็นหนึ่งอหนรก20สิอหนรกเป็นหนึ่งอัตตนรก20สิอัตตนรกเป็นหนึ่งุมุทธนรกยี่สิขุมุทธนรก เป็นหโสคันทิกะนรก20โสคันทิกะนรกเป็นหนึ่งอุ ป, ปะละกะนรก20อุ ป, ปะละกะนรกเป็น 1. บุญตรีกะนรก20บุญทรีกะนรกเป็นหนึ่งปะทุมะนรกภิกษุโกกาลิกะพิกษุนี้เกิดในปะทุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในสารีบุตรและโมคลานะ พระผู้มีพระภาคผู้สุคตสาสดาครั้นตรัตวยยกรภาสินี้แล้วจึงไร้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระรุศวาจาคหยาเป็นเหมือนผึ่งเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคาชั่วย่อมเกิดที่ปากของคนพาลผู้ใดสันเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสันเสริญผู้นั้นชื่อว่าสังสมความผิดไว้ด้วยปาก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 ย่อมกลับมาถึงบุคคล น, นั้นซึ่งเป็นคนพานอย่างแน่แท้ดุดผงทุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้นผู้หมกมุ่นในความโลภต่างๆไม่มีศรัทธามีนิสัยหยาบกระด้างไม่รู้พุทธพจน์มีความตรณีชอบพูดส่อเสียดย่อมใช้วาจากล่าวร้ายผู้อื่นโกกาลิกะผู้มีปากเป็นหลมชอบพูดเท็จไม่ใช่คนดีชอบกาจัดความเจริญของตน เป็นคนชั่วชอบทําแต่กรรมชั่วเป็นคนต่ําช้าเป็นคนอาภัพเป็นอวชาตตบุตรเธออย่าพูดมากในที่นี้อย่าต้องเป็นสัตว์นรกเลยเธอย่อมเกลียทุรีคือกิเลสลงใส่ตนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองเลยเธอชอบทํากรรมหยาบช้าแล้วยังติเตียนสัตว์บุรุษเธอประพฤติทุจริตมากมายต้องไปเกิดในมหานรกเป็นเวลายาวนานแน่นอน กรรมของใครๆย่อมไม่สูญหายไปไหนเขาต้องได้รับผลกรรมนั้นและเป็นเจ้าของกรรมนั้นคนโง่เขลาผู้ชอบทํากรรมชั่วหยากจะประสบทุกข์ที่ตนได้รับในปรโลกผู้ทํากรรมชั่วย่อมเข้าถึงสถานที่ที่นายนิริยบาลเอาขอเหล็กอันคมกริบมาเกี่ยวไว้ถูกหล่าวเหล็กอันคมกริบเสียบไว้และมีก้อนเหล็กแดงโชดช่วงเป็นอาหาร ตามสมควรแก่ความชั่วตามสมควรแก่กรรมชั่วที่ตนทำไว้นายนิรยบาลทั้งหลายเมื่อพูดกับสัตว์นรกก็พูดไม่ไพเราะสัตว์นรกเหล่านั้นจะวิ่งหนีไปก็ไม่ได้จะเข้าไปขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้จึงนอนอยู่บนฐานเพลิงอันลาดไว้เข้าไปสู่กองไฟอันลุกโพลงนายนิรยบาลเอาข่ายเหล็กพันสัตว์นรกแล้วทุบด้วยค้อนเหล็กในที่นั้นๆ สัตว์นรกทั้งหลายเข้าไปสู่นรกหมอกควันที่มืดทึบซึ่งปกคลุมอบอวลไปทั่วดุดกลุ่มหมอกต่อจากนั้นสัตว์นรกเหล่านั้นก็เข้าไปสู่โลหะกลุมพีนรกที่มีเปลวไฟลุกโผล่ลอยวนขึ้นลงพร้อมกับถูกไฟไหม้อยู่ในหม้อเหล็กที่ติดไฟลุกนั้นเป็นเวลานานแสนนานสัตว์นรกผู้ทำกรรมชั่วอยาบไวประจําจะพลิกหนีไปทางทิศใดใด ถูกไฟตามเผาไหม้อยู่ในหม้อเหล็กร้อนแดงที่ปนด้วยหนองและเลือดได้รับทุกรกรรมลําบากซ้ำอย่าง8ดเปื้อนหนองและเลือดอยู่ในโลหะกลุ่มพีนรกนั้นสัตว์นรกผู้ทํากรรมชั่วหยาบไว้ประจําย่อมหมกไหม้อยู่ในน้ําที่มีหมู่นอนย้อยเยะในโลหะกุ่มพีนรกในแต่ละขุมนั้นๆไม่มีฝั่งที่จะให้ขึ้นอาศัยเลย เพราะมีกระทะครอบอยู่อย่างมิชิตรอบทุกทิศยังมีป่าไม้ที่มีใบคมเหมือนดาบขึ้นอยู่ทั่วไปซึ่งพวกสัตว์นรกเข้าไปก็จะถูกตัดลำตัวขาดทันทีในนิริยาบาลก็จะเอาเบ็ดเกี่ยวลิ้นทรมานด้วยการดึงออกมาเรื่อยๆต่อจากนั้นสัตว์นรกนั้นต้องตกนรกน้ำกรดซึ่งเป็นแอ่งถูกคมมิโกนคมกริบกรีตามตัว สัตว์ที่โง่เคลาชอบทำบาปไว้มากจึงต้องตกลงไปบนคมมิโกนนั้นเพราะได้เคยก่อกรรมทาเขนไว้สัตว์นรกจึงถูกสุนัขดำด่างและสุนัขจิ้งจอกรุมถึงกัดยินร้องคร่าครวญอยู่ในที่นั้นนั้นซ้ำยังถูกฝูงแรงกาและนกตะกลุ่มรุมถึงจิกกินอีกคนผู้ชอบทำกรรมชั่วยาเป็นประจำต้องรู้แก่ใจว่า การดำรงอยู่ในนรกนี้ทุกยากลำบากจริงๆเพราะฉะนั้นนรชนจึงควรรีบทากิจที่ควรทำแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้และไม่ควรประมาทเกวียนบรรทุกงานที่ผู้รู้ทั้งหลายนับคำนวณแล้วนำเข้าไปเปรียบกับอายุสัตว์ที่เกิดในปทุมารนรกก็ได้เท่ากับ 51,200 โกรสัตว์นรกทั้งหลายต้องอยู่ในนรกซึ่งมีทุกข์มากมาย ตามที่เรากล่าวไว้ในที่นี้ตลอดระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นบุคคลควรกำหนดรักษาวาจาใจให้เป็นปกติในท่านผู้บริสุทธิ์มีศีลเป็นที่รักและมีคุณงามความดีโกคาลิกะสูตรที่10จบ นาละกะสูตรว่าด้วยนาละกะดาบททูลถามปัญหาอาศสิตะเรสีอยู่ในที่พักกลางวันได้เห็นเท้าส ก, กะจอมเทพและทวยเทพชั้นเดาดึงมีใจชื่นชมโสมนัสยกผ้าทิพขึ้นชมเชย อ, อยู่มิได้ขาดณนะที่สถิตอันสะอาดครั้นเห็นแล้วจึงทำความนอบน้อม พลางถามเทวดาทั้งหลายผู้มีใจเบิกบานในที่นั้นว่าเพราะเหตุไรทวยเทพจึงดีใจอย่างล้นเหลือเพราะอาศัยอะไรท่านทั้งหลายจึงยกผ้า ท, ทิพขึ้นแล้วเรื่นเริงอยู่เช่นนี้แม้คราวที่เกิดสงครามกับพวกอสูรทวยเทพได้ใช้ชนะเหล่าอสูรปราชัยอาการดีใจขนลุกขนพองสยองกล้าวเช่นนี้ก็มิได้มี เทวดาทั้งหลายได้เห็นเหตุอะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนจึงพากันเบิกบานสําราญใจมากมายเช่นนี้ทวยเทพเปล่งเสียงชมเชยขับร้องบรรเลงดนตรีปรบมือฟ้อนรากันอยู่ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายผู้อยู่บนยอดเขาพระสุเมนว่าท่านผู้ไร้ทุกข์ทั้งหลายขอพวกท่านจงช่วยกันขจัดความสงสัยของข้าพเจ้าให้สิ้นไปโดยเร็วเถิด เทวดาทั้งหลายกล่าวตอบดังนี้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นรัตนอันประเสริฐไม่มีผู้เปรียบเทียบได้บังเกิดขึ้นแล้วในมนุษย์โโลกที่ป่าลุมพินีวันในคามชนบทของเจ้าสักยะทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงพากันยินดีเบิกบานใจอย่างล้นเหลือพระโพธิสัตว์นั้นเป็นบุคคลผู้เลิศเป็นผู้สูงสุดในสรรพสัตว์ เป็นนรชนผู้องค์อาจประเสริฐสูงสุดในหมู่สัตว์ทั้งปวงจะทรงประกาศธรรมจักที่ป่าอิสิ ป, ปตนะเปรียบเหมือนพญาราชสีมีกำลังมีอำนาจเหนื้อหมูเนื้ อ, อบรรลือสีหนาฏอยู่อสิตะเรสีนั้นฟังเสียงของเทวดานั้นแล้วจึงรีบลงเข้าไปสู่ที่ประทับของพระเจ้าสุโธธนะณเวลานั้นทันที ครั้นนั่งแล้วได้ทูลถามเจ้าสักยะทั้งหลายในที่นั้นว่าพระกุมารประทับอยู่ที่ไหนอนตาตมาภาพประสงค์จะเฝ้าลำดับนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายได้ทรงนำพระกุมารผู้ทรงเปล่งปลั่งดังทองที่ปากเบ้าซึ่งช่างทองผู้ชำนาญล้อมดีแล้วทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระสิริมีพระชวีวันผุดพองเป็นพระโอรสผู้ประเสริฐ ออกมาให้อสิตะเรศีเฝ้าชมพระบารมีอสิตะเรศีได้เห็นพระกุมารผู้ทรงรุ่งเรืองดังเปลวไฟเหมือนดวงจันเพนลอยเด่นในนภาอากาศมีแสงพราวกว่าหมู่ดาวดุจ ด, ดวงอาทิตย์พ้นจากเมฆแผ่แสงอยู่ในสาธกาลจึงเกิดความยินดีได้รับปีติัยบูนทวยเทพกันสเสวตฉัตรมีซี่มากมาย ประกอบด้วยชั้นพันชั้นไว้ในนภากาศจามนด้ามทองทั้งหลายโบกไปมาอยู่แต่ผู้ถือจามนและสเวตฉัตรไม่ปรากฏฤาษีกล้าวชดานำว่ากันหาสิริได้เห็นพระกุมารงามดุจแท่งทองบนผ้ากำพลแดงและสเวตฉัตรที่กั้นอยู่บนพระเสียรก็มีจิตเบิกบานดีใจพลางช้อนอุ้มพระกุมารไว้แนบกาย พออุ้มพระกุมารผู้ประเสริฐไว้แล้วอสิตะเรศีผู้เรียนจบลักษณะมนก็ตรวจพิจารณาลักษณะมีจิตเลื่อมใสได้เปล่งวาจาว่าพระกุมา น, นี้ไม่มีผู้อื่นเยี่ยมกว่าเป็นผู้สูงสุดในบรรดาสัตว์สองเท้าครั้นแล้วอสิตะเรศีหวนระลึกถึงการที่ตนต้องไปเกิดก็ระทมใจจนน้าตาไหล ซึ่งเจ้าสักยะทั้งหลายได้ทอดพระเนตรเห็นเรือศรีรองให้เช่นนั้นจึงตรัสถามว่าพระกุมารจะมีอันตรายหรืออย่างไรอสิตาเรือศีได้ทูลเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ทอดพระเนตรเห็นแล้วไม่ทรงสบายพระทัยว่าไม่ใช่อัตมาภาพระลึกถึงสิ่งที่เป็นอภมงคลในพระกุมารและก็ไม่ใช่พระกุมาร น, นั้นจะทรงมีอันตรายพระกุมาร น, นี้ไม่เป็นผู้ต่ําต้อยเลย ขอมหาบาพิตรทั้งหลายจงสบายพระทัยเถิดพระกุมานี้จะทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยานจะทรงเห็นนิพพานที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งจะทรงบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนจากประกาศธรรมจักรพรมจร์ของพระกุมานี้จะเผยแผ่ขจรไปอย่างกว้างขวางแต่อายุของอัตมาภาพเหลืออยู่ในโลกนี้ไม่นานอัตมาภาพจะต้องมรณภาพไปในระหว่างนี้ อาตมาภาพนั้นจะไม่ได้สะดับธรรมของพระกุมารผู้ทรงมีความเพียรหาผู้เสมอเหมือนมิได้เพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงเร่าร้อนถึงความพินาศทุกข์ใจอสิตะฤศีนั้นทูลให้เจ้าสกยะทั้งหลายเกิดความปิติเป็นล้นพ้นแล้วจึงออกจากพระราชวังไปบำเพ็ญพรหมจรรย์ต่อไปพร้อมกับอนุเคราะห์หลานของตนเองฝึกให้เขาสมาทานในธรรมของพระผู้มีพระภาค ผู้ทรงมีความเพียรหาผู้เสมอเหมือนมิได้กล่าวสอนว่าต่อไปภายหน้าเจ้าได้ยินเสียงระเบอือไปว่าพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถราชคุมานนี้ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตยานแล้วกำลังเผยแผ่ทางดำเนินสู่อมะตะธรรมเจ้าจงไปทูลสอบถามด้วยตนเองในสำนักของพระองค์จงประพฤติพรหมจรรย์นในสานักของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเถิด นาละกะดาบทสังสมบูรณ์ไว้มากได้รับคำพร่ำสอนจากอสิตเตอรีผู้มีใจเครือกูลมีจิตมั่นคงซึ่งเป็นผู้เห็นนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งในอนาคตจึงเฝ้ารักษาโสตินสีรอคอยพระชินสีอยู่นาละกะดาบทได้ฟังเสียงระเบือถึงการที่พระชินสีทรงประกาศธรรมจากอันประเสริฐ จึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐองค์อาตกวเรศีแล้วเลื่อมใสได้ทูลถามปฏิปทาที่ประเสริฐสุดกระพระมุนีผู้ประเสริฐในเมื่อเวลาคำสั่งสอนของอสิตะเรศีมาถึงเข้าวัตถุคาถาจบนาลกะดาบทูลถามดังนี้ข้าแต่พระโคดมคำของอสิตะเรศีนั้นข้าพระองค์ได้รู้ว่า เป็นจริงตามที่กล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงพระองค์ผู้อันข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกมุนีและปฏิปทาอันสูงสุดของมุนีแห่งบันปจิตผู้สแสวงหาการเที่ยวไปเพื่อพิกษาแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราจากพยากรปฏิปทาของมุนีที่ปฏิบัติได้ยาก ทั้งให้เกิดความยินดีได้ยากแก่เธอเอาเถิดเราจะบอกปฏิปทาของมุนีนั้นแก่เธอเธอจงช่วยเหลือตนเองจงเป็นผู้มั่นคงเถิดมุนีพึงทำทั้งคำด่าและการกราบไหว้ในหมู่บ้านให้มีส่วนเสมอกันคือพึงรักษาจิตไม่ให้คิดร้ายเป็นผู้สงบไม่ฟุ้งซ่านเที่ยวไปอารมณ์สูงต่ำเปรียบเหมือนเปลวไฟในป่าย่อมปรากฏ นารีมร์ปลาเลวปลโล ม, มุนีเธอจงระวังอย่าให้นางปลาเปลโลมได้มุนีพึงงดเว้นจากเมถุนธรรมและกามคุณทั้งที่ประณีตและไม่ประณีตไม่ยินดียินร้ายในสัตว์ผู้ยังวาสะดุ้งและที่มั่นคงมุนีพึงทำตนให้เป็นอุปมาว่าเราฉันใดสัตว์เหล่านี้ก็ฉันนั้นสัตว์เหล่านี้ฉันใดเราก็ฉันนั้น ดังนี้แล้วไม่ฆ่าเองไม่ใช่้ผู้อื่นฆ่ามุนีละความปรารถนาและความโลภในปัจจัยสี่ที่ปุถุชนพากันหลงยึดติดได้แล้วเป็นผู้มีจักษุปฏิบัติปฏิปทาของมุนีก็จะข้ามพ้นความทยานอยากในปัจจัยซึ่งเป็นดุจเหวลึกนี้ได้มุนีควรเป็นผู้มีท้องพร่องชั้นอาหารแต่พอประมาณมีความปรารถนาน้อยปราศจากความละโมบ หมดความกระหายหิวด้วยความอยากไม่มีความอยากอีกต่อไปดับความเร่าร้อนได้ตลอดกาลมูนีนั้นที่ยรับบินธบาตแล้วควรเข้าไปชายป่าทันทียืนหรือนั่งที่โคนต้นไม้ชายป่านั้นมูนีนั้นควรจะขนขวายในชานทรงปัญญายินดีอยู่เฉพาะในชายป่าควรเพ่งพินิษทำตนให้ยินดียิ่งณโนะคนต้นไม้นั้นจากนั้น เมื่อราตรีสว่างแล้วมูนีควรเข้าไปสู่บริเวณหมู่บ้านไม่ควรยินดีรับนิมนต์ฉันที่เรือนและอาหารที่เขานำมาจากบ้านถวายเจาะจงมูนีเข้าไปถึงหมู่บ้านแล้วไม่ควรรีบร้อนเข้าไปเรือนตระกูลอุปถาคเป็นผู้ตัดการพูดคุยไม่ควรกล่าววาจากเกี่ยวกับการสแสวงหาของกินมูนีนั้นคิดว่าสิ่งที่เราได้แล้วล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้น ถึงไม่ได้ก็ดีดังนี้แล้วเป็นผู้คงที่เพราะการได้และไม่ได้ทั้งสองอย่างนั้นกลับเข้าไปยังที่อยู่ของตนเหมือนคนหาผลไม้เข้าไปยังต้นไม้ฉะนั้นมุนีนั้นอุ้มบาเ ท, ที่ยวไปไม่เป็นใบก็สมมติตนว่าเป็นใบไม่ควรดูหมินทานว่าน้อยไม่ควรดูแคลนทายกผู้ให้ ปฏิปทาที่พระสมณะประกาศแล้วมีทั้งสูงและต่ำมูนีผู้ปฏิบัติจะไปถึงฝั่งถึงสองครั้งหามิได้ฝั่งนี้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ครั้งเดียวก็หามิได้อันหนึ่งมูนีเป็นภิกษุซึ่งตัดกระแสขาดแล้วไม่มีตัณหาร่านไปและกิดน้อยใหญ่ได้แล้วย่อมไม่มีความเร่าร้อนเราจะพยากรณ์ปฏิปทาของมุนีให้เธอทราบต่อไปคือ ภิกษุผู้ปฏิบัติควรเป็นผู้มีคมมิโกนเป็นเครื่องเปรียบกดเพดานไว้ด้วยลิ้นสำรวมท้องควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อแท้และไม่ควรครุ่นคิดรังวลมากเป็นผู้หมดกลิ่นสาบไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยมีพรหมจรรย์เป็นจุดหมายพึงฝึกฝนเพื่อการนั่งสงบผู้เดียวและเพื่อบำเพ็ญจิตภาวนาของสมณนะความเป็นมุนีที่เราบอกไว้แล้วโดยส่วนเดียว หาเธอจักยินดีอยู่ผู้เดียวเธอก็จะปรากฏเกียรติคุณไปทั่วสิบทิศเธอได้ฟังเสียงสรรเสริญของนักปราทั้งหลายผู้เพ่งพินิจอยู่ตัดขาดจากกามแล้วต่อจากนั้นควรทําหิริและศรัทธาให้ยิ่งขึ้นจึงนับว่าเป็นสาวกของเราได้เธอจะเข้าใจคําที่เรากล่าวแล้วนั้นได้แจ่มแจ้งด้วยการเปรียบเทียบแม่น้ํากับลําคลองและหนองบึง คือแม่น้ำน้อยไหลดังสนัน่นแม่น้ำสายใหญ่ๆไหลเงียบสงบแม่น้ำน้อยไหลดังสนัน่นแม่น้ำสายใหญ่ๆไหลเงียบสงบสิ่งใดพร่งสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบคนผ่านเปรียบได้กับหมอ้อน้ำที่มีน้ำเพียงครึ่งเดียวบัณฑิตเปรียบได้กับห้องน้ำที่เต็มเปี่ยม พระสมณพะพุทธเจ้าทรงรู้จักถ้อยคำที่จะตรัสให้มากว่ามีสาระประกอบด้วยประโยชน์จึงทรงแสดงธรรมพระองค์ทรงรู้อยู่จึงตรัสได้มากอันหนึ่งสมณะใดรู้แจ้งธรรมสำรวมจิตของตนได้ไม่กล่าวมากทั้งที่รู้สมณะนั้นชื่อว่าเป็นมุนีย่อมควรแก่ปฏิปทาของมุนีสมณะนั้นเป็นมุนีได้ บรรลุปฏิปทาของมุนีแล้วนาละกะสูตรที่11จบ